ชายสองคนเข้าโรงพยาบาลไล่ๆกันแล้วก็เตียงที่นอนก็ไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่ทั้งสองคนประสบ ป, ประสบอุบัติเหตุนะต่างที่นะแต่ว่าก็สูญเสียขาเหมือนกันต้องตัดขาทั้งคู่ ตั้งสองคนเนี่ยหมอก็บอกว่าเนี่ยอีกไม่กี่เดือนก็สามารถที่จะใช้ขาเทียมได้แล้วกหลังจากนั้นไม่นานนะก็จะสามารถใช้ชีวิตได้นะเหมือนที่เคยเป็นแต่คนหนึ่งเนี่ยมีความเครียดมีความ กลุ่มมีความทุกข์มากสณะที่คนหนึ่งนะเน่ขาดูมีสีหน้าผ่อนคลายเสียขาเหมือนกันและแนวโน้มของการจะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติก็ใกล้ๆกันคล้ายๆกันแต่ทำไมคนหนึ่งถึงมีความทุกข์มาก ก็พอเขานึกถึงแต่ขาที่เสียไปแล้วก็นึกถึงสิ่งที่ต้องสูญเสียไปอีกหลายอย่างจากการที่เสียขาไปตัวอีกคนนึงเนี่ยไม่ได้มีสีหน้าทุกข์มากเลยเขาก็ดูเบิกบานด้วยซ้ำตั้งที่เสียขาเหมือนกัน นี่พ่อขาคิดว่าเขาโชคดีนะที่มีชีวิตรอดแล้วก็ได้มีโอกาสกลับมาอยู่ครอบครัวแล้วก็คิดถึงสิ่งที่เขายังสามารถที่จะทำได้อีกหลายอย่างด้วยขาเทียมแล้วก็ด้วยสุขภาพร่างกายที่ ไม่ได้บอบช้าอะไรมากสองคนก็เจอทุกเหมือนกันนะแต่ว่าความรู้สึกต่างกันอันที่เพราะมุมมองที่ต่างกันมีคนไข้คนหนึ่งนะเธอเป็นมะเร็งสมองอายุ ก, ก็ไม่มากนะสิบสี่สิบห้าจิตนาสามาเยี่ยม ก็แปลกใจนะที่เธอมีสีหน้าไม่ได้ทุกหมองหรือเศร้าดูเหมือนคนปกติเลย ท, ทั้งที่มะเร็งที่เกิดขึ้นกับเธอคือมะเร็งสมองนี่มันก็ร้ายแรงเด็กคนนั้นก็ยังชวนจิตอาสาวาดรูป จิตสาก็แปลกใจว่ายังมีอารมณ์บ้ารูปหรือเนี่ยทั้งที่เป็นมะเร็งสมองยิ่งอันนั้นเนี่ยเด็กคนนั้นก็ยังมีอารมณ์ดีโอภาปาสายัยกับติตอาสาคุยไปคุยมาเธอก็บอกว่าเนี่ยหนูโชคดีนะที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูกเนี่ยมีญาติคนหนึ่งเป็นมะเร็งมดลูกนี้ปวดมากเลยหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมอง ตรงข้ากับผู้หญิงคนหนึ่งนะอายุใกล้ๆกันเธอก็ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรนะแต่ว่าเธอกลุ้มใจมากนะการที่มีสิวนะมีสิวไม่กี่เม็ดบนใบหน้านี้ก็รู้สึกทุกข์มากไปไหนเนี่ยก็คอยคิดว่ามีคนจ้องมองนะหน้าของเธอนะี เราก็สึว่าคนเขามองว่าเนี่ยเธอขี้เรหรือว่าหน้าตาดูไม่ดีเลยเพราะมีสิวคนหนึ่งเป็นมะเร็งนะมะเร็งสมองแต่ว่าดูสดชื่นแจ่มใสแต่คนหนึ่งเนี่ยแค่มีสิวไม่กินเม็ดบนใบหน้านี้แต่ว่าหมองเศร้าเลย อ, อันนี้มันแสดงว่าอะไรนะมันแสดงว่าคนเราเนี่ย เจออะไรเนี่ยมันก็ไม่สำคัญเท่ากับว่ารู้สึกกับสิ่งนั้นหรือว่ามีมุมมองหรือความคิดอย่างไรต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนเรามักจะคิดว่าเนี่ยถ้ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเราก็ต้องทุกข์ตามมาทันทีเลย ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นความพัดพร่ถ้าเจอปุ๊บนี่ก็ทุกปั๊บเลยแต่จริงมันไม่ใช่นะเมื่อเจอแล้วเนี่ยก่อนที่จะทุกเนี่ยนะมันมันมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างนั้นนะโดยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเช่นความคิดความรู้สึกมันไม่ใช่ว่า เจอปุ๊บจะทุกปั๊บนะแต่มันต้องผ่านกระบวนการทางจิตหรือว่าความนึกคิดอันนี้เนี่ยผู้เจ้าก็แสดงไว้ชัดเจนนะแล้วก็ละเอียดละออมากนะในสิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทโดยเพราะกระบวนธารมเนี่ย ส่วนท้ายๆเนี่ยหรือส่วนครึ่งหลังเนี่ยนั่นคือเมื่อเกิดผัสสะผัสสะคือการกระทบหรือการรับรู้ไม่เป็นรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมหรือเหตุการ์พอเกิดผัสสะแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะทุกทันทีนะมันต้องผ่านกระบวนการหรือกระบวนการน อันได้แก่เวทนาตัณหาอุปทานพบชาติชรามรณะและจึงนะเกิดทุกขโทมนัตตอนที่เกิดการกระทบเนี่ยเรียกว่าผัสสะเนี่ยหรือว่าเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งแน่นอนก็ต้องเกิดขึ้นได้รับรู้ได้เมื่อเกิดผัสสะกว่าจะทุกได้นี่มันต้องผ่านหลายขั้นตอนเลยนะ เวทนาตันนาะอุปทานพบชาติชรามรณะเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์แล้วเกิดตันหาความอยากแล้วเกิดอุปทานความยึดมั่นยิ่งอยากได้อะไรก็ยิ่งหมกบุนจดจ้องกับสิ่งที่ให้ความสุขกับเราหรือหมกบุนที่จะหาทางผลักไสสิ่งที่ทำให้เกิดทุกขเวทนา แล้วก็เกิดพฤติกรรมเกิดการกระทําต่างๆเพื่อสนองตันหาอุปาทานที่เรียกว่าพบเนี่ยกรรมมาพบเนี่ยมันก็คือพฤติกรรมอาจจะเป็นความคิดหรือการกระทําเพื่อสนองตันหาอุปาทานแล้วถ้าเกิดสนองได้เนี่ยมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าภาวะชีวิตอันนี้คืออุปาติภพ นอยากได้เนี่ยก็ดิ้นรนหามาจนได้ก็เกิดความสึกก็เกิดความเป็นเจ้าของหรืออยากเป็นคนดังคนเด่นอยากเป็นนักร้องก็ดิน้นรนนะไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายเรียนเรียนแบบดารานักร้องหรือว่าตัดผมหรือว่ามีบุ ค, คลิกเรียนแบบคล้ายๆกับดารานักร้องที่ชื่นชอบ ต่วนเกิดอุปาทานขึ้นแล้วก็เกิดความรู้สึกที่เราเรียกว่าภาวะชีวิตว่าเนี่ยเราเกิดความเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาอันนี้เรียกว่าพบแล้วก็รู้สึกว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่อันนี้เรียกว่าชาติเราเป็นเจ้าของเราเป็นคนเก่งเราเป็นดาราเราเป็นคนดี เนี่ยพบชาติในชรามรณะเนี่ยคือการที่ความรู้สึกว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่มันถูกกระทบพูดง่ายคือว่าตัวกูเนี่ยมันถูกกระทบเกิดความรู้สึกเสื่อมสลายตรงนี้แหละทุกอันนี้อธิบายนะแบบย่อยๆแต่ก็พอจะมองเห็นนะว่าเนี่ยในทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านมองว่าเนี่ยความทุกเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเมื่อเกิดการกระทบ แต่ว่ามันมีกระบวนการเกิดขึ้นหลายอย่างซึ่งถ้าพูดง่ายๆนะก็คือกระบวนการปรุงแต่งนะพอเกิดกระทบแล้วเนี่ยมันมีการปรุงแต่งตามมาแล้วจึงจะเกิดทุกข์แล้วการปรุงแต่งเนี่ยมันก็ขึ้น่ปรุงแต่งอะไรนะถ้าปรุงแต่งไปในทางลบนี่มันก็เกิดทุกข์ถ้าปรุงแต่งในทางสุขมันก็ เกิดสุขตามมาแม้ว่าจะเป็นสุขชั่วคราวให้ลองพิจารณาดูเถอะนะเวลาเราเห็นรูปได้ยินเสียงเนี่ยถ้าเราเห็นเฉยๆเนี่ยมันยังไม่เกิดทุกข์หรอกจนกว่ามันจะมีการปรุงแต่งปรุงแต่งที่สมาคือการให้ค่าให้ค่าว่าดีไม่ดี หอมเหม็นนะหรือว่ามากน้อยถ้าไม่ดีก็ทุกข์งุญกิจไม่พอใจถ้าเหม็นนะก็ไม่ชอบถ้าน้อยนะก็เสียใจอันนี้เป็นเรื่องการตีค่าซึ่งแต่ละคนก็ให้ค่าไม่เหมือนกันนะเช่นบางคนเนี่ย กินปลาลาเนี่ยนะถ้าให้ข้าหรือตีข้าปลาล่าเป็นของอร่อยเนี่ยกินแล้วก็มีความสุขรู้สึกว่ากลิ่นมันหอมแต่คนหนึ่งตีข้าว่าเนี่ยกลิ่นปาลาล่านี่มันเหม็นนะไม่อร่อยพอกินเข้าไปเนี่ยก็รู้สึกผะ อ, อืดผะอมเกิดทุกข์ตามมามนไม่ได้ว่ากินแล้วจะทุกข์ทันทีนะ มันกินแล้วเนี่ยมันต้องผ่านการตีค่าให้ค่าก่อนว่านะว่ามันกลิ่นเหม็นนะไม่อร่อยนะแต่ให้ค่าในทางบวกนะเออมันหอมถ้าไม่กินไม่กินหรือไม่เติมปลาลานี่มันจะไม่มีรสชาติเลยนะได้อะไรมาเนี่ยนะถ้าเราตีค่าว่ามันมาก เราก็มีความสุขแต่ถ้าเราตีข้าวมันน้อยเราก็ทุกข์ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับความอยากหรือความคาดหวังนะคาดหวัง10ได้20เนี่ยโอ้มีความสุขถือว่ามากเลยนะยีเนี่ยแต่แม้จะได้ล้านเนี่ยถ้าคาดหวัง10ล้านเนี่ยไอ้ล้านนี่ก็กลายเป็นน้อย ได้แล้วก็ไม่ได้มีความสุขเลยเพราะอะไรเพราะตีข้าวมันน้อยการกระทำบางอย่างเนี่ยถ้าเราตีข้าวดีนะ เ, ออเห็นแล้วเราก็สบายใจแต่ถ้าเราตีข้าวไม่ดีเห็นแล้วก็หงุดหงิดเห็นแล้วก็ไม่พอใจเสียงเพลงเนี่ยริงโทนเนี่ยมันดูเพราะ แต่ถ้าเกิดว่ามันดังในขณะที่กาลังฟังธรรมกันอยู่ในศาลาเนี่ยมันกลายเป็นเสียงที่รบกวนโสตประสาทเลยทีเดียวเพราะเราตีข้าวมันไม่ดีมันไม่เหมาะสมที่จะมาดังในเวลานี้เกิดความทุกข์แก่ผู้ที่ได้ยินทันทีเลยเมื่อตีข้าว่าหรือให้ข้าว่ามันเป็นเสียงที่ไม่ ถูกเวล่าเวลานะหรือเป็นเสียงที่รบกวนการฟังธรรมของเรา น, นอกจากตีค่าแล้วเนี่ยเรายังปรุงแต่งด้วยการตีความด้วยนะถ้าเราตีความในทางลบนี่เราก็ทุกข์นะ เ, เช่นเห็นคนเขาซุบซิบกันแต่พอเราเดินเข้าไปใกล้ใกล้เขาก็หยุดซุบซิบเนะี่ยถ้าเราตีความว่านี่เขากําลังดินทารา้นี่เราก็ไม่พอใจ ตเขาอาจจะซุบซิบเรื่องเจ้านายแต่เขาไม่อยากให้เราได้ยินเขาก็เลยหยุดซุบซิบก่อนที่เราเนี่ยจะเดินเข้าไปใกล้หรือเห็นคนมองหน้านะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยถูกผู้ชายมองหน้าด้วยกันเนี่ยแล้วก็จะตีความว่าเนี่ยเขามองหน้าหาเรื่องก็จะเกิดความโกรธทั้งที่เขาอาจจะมองหน้าเพราะหน้าตาคุ้นคล้ายๆกับคนที่เขารู้จักก็ได้ไม่ใช่มองหน้าหาเรื่อง แต่พอไปตีความว่าเขามองหน้าหาเรื่องก็เกิดความทุกข์เกิดความรุ่มร้อนใจขึ้นมาอันนี้เรียกว่าปรุงแต่งเหมือนกันนะคือการตีความในทางลบรวมทั้งการคิดปรุงแต่งด้วยนะคิดปรุงแต่งเนี่ยหมายเขาวขา่าอย่างเช่นนะเวลารถติดขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้เห็นว่ารถติดเฉยๆนะแตเราบางทีเราคิดปรุงแต่งไปเลยนะว่าถ้ารถติดนานกว่า น, นี้ จะไปทํางานสายจะไปส่งลูกไม่ทันจะผิดนัดสําคัญจะตกเครื่องบินทั้งที่ทั้งหมดยังไม่เกิดขึ้นเลยแต่พอคิดปรุงแต่งไปแล้วเนี่ยทุกเลยแต่ถ้าไม่คิดปรุงแต่งก็ไม่ทุกนะออรถติ่มก็ติดไปจิตไม่ตกด้วยแต่ที่ทุกเนี่ยเพราะปรุงแต่งไม่ใช่ว่าพอเจอรถติดปุ๊บเนี่ยจะทุกปั๊บเลยไม่ใช่มันมีการคิดปรุงแต่ง แล้วจึงทุกตามมาแล้วการปรุงแต่งอย่างคือการปรุงความอยากความคาดหวังเวลาเราเห็นอะไรเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีความคาดหวังมันก็คงไม่ทุกข์นนะแต่พอมีความคาดหวังแล้วเนี่ยถ้าสิ่งที่เห็นเนี่ยสิ่งที่รับรู้มันไม่ตรงกับความคาดหวังมันก็ทุกข์นะ อย่างเช่นนักศึกษาเนี่ยถ้าไม่ได้คาดหวังกับเกรดนะเกรดออกมาได้ 2.5 นี่เขาก็โอเคนะแต่บางคนนี่ถ้าคาดหวังเนี่ย4เนี่ยลราได้ 3.9 นี่ทุกเลยหรือพ่อแม่เนี่ยถ้าคาดหวังลูกนะว่าลูกต้องอสอบให้ได้ คณะแพทย์หรือวิศวะนะหมายอะไชั้นนำเนี่ยเธอเกิดลูกสอบไม่ได้นะคณะนั้นแต่ว่าไปได้คณะอื่นทุกเลยนะเครียดเลยแต่ถ้าพ่อแม่ไม่ได้คาดหวังกับผลการเรียนของลูกหรือผลการสอบของลูกนะลูกเข้าหรือสอบเข้าคณะไหนก็ตามนะแม่ก็ไม่ได้ทุกข์อะไรพ่อก็ไม่ได้ผิดหวังอะไร แน่นความทุกข์เนี่ยจะเกิดขึ้นมากหรือไม่มก็ขึ้นอยู่ว่ามีความคาดหวังหรือเปล่าแล้วความคาดหวังนี้ก็เป็นการปรุงแต่งชนิดหนึ่งนะแต่ปรุงแต่งที่มักจะเกิดขึ้นเวลาเกิดผัสสะหรือการกระทบเนี่ยก็คือการปรุงแต่งตัวกูขึ้นมาปรุงตัวกูขึ้นมาร้อนหนาวถ้าศัก์แต่ว่ารับรู้เฉยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ทุกข์เท่าไหร่นะ อาจจะทุกกายนะแต่ว่าใจไม่ทุกแต่ว่าพอปรุงโตกูขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่กายร้อนนะแต่มันกูร้อนด้วยอันนี้ทุกใจและหรือเวลาเจ็บป่วยเนี่ยแทนที่จะป่วยแต่กายเนี่ยมันมีความรูสวกูป่วยคนส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีความทุกข์ทางใจเมื่อเกิดความเจ็บป่วยก็ยเพราะมันมีการปรุงแต่งน และปรุงแต่งที่ทำม ค, คือปรุงแต่งตัวกูกขึ้นมาเป็นผู้ป่วยรวมทั้งเป็นผู้ทุกข์ด้วยซึ่งก็รวมไปถึงเวลามีการกระทบแล้วมันมีอารมณ์เกิดขึ้นปรุงอารมณ์ขึ้นมาเป็นความโกรธเป็นความเศร้าเป็นความหงุดหงิดท่านั้นมันยังไม่ทุกข์เท่าไหร่นะแต่พอมันปรุงตัวกูกขึ้นมาว่ากูกโกรธกูเศร้าเนี่ย โอ้นี่มันทุกข์หนักเลยอันนี้ก็เป็นการปรุงชนิดหนึ่งนะซึ่งเป็นตัวการสำคัญเลยนะที่ทำให้เกิดภพชาติแล้วก็ชรามรณะนี่มถ้าดูให้ดีเนี่ยนะอ่าคนเราเนี่ยเมื่อมีความทุกข์ใจเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะว่าเกิดการกระทบหรือว่ามีเหตุร้าย เกิดขึ้นกับเรามันเกิดขึ้นเนี่ยหรือรับรู้ว่ามันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ว่าจะทุกทันทีนะมันต้องผ่านกระ บ, บวนการปรุงแต่งนะไม่่อจะเป็นการให้ค่าตีความในทางลบหรือปรุงแต่งในทางลบหรือปรุงความคาดหวังความอยาก แล้วมันไม่ตรงกับความคาดหวังความอยากหน้าที่ทํางหมคือปรุงตัวโก้ขึ้นมาตรงนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้และทํความเข้าใจถ้าคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจนะไปคิดว่าเนี่ยจะสุขหรือทุกข์เนี่ยก็ขึ้นอยู่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราถ้าไม่อยากทุกข์ก็ขอให้มีขอให้สิ่งไม่ดีเนี่ยอย่าได้เกิดขึ้นกับเรา พรคิดว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่เนี่ยเราจะทุกทันทีก็เลยพยายามที่จะภาวนาอธิษฐานขอจะให้อุปัตตะวะอันตรายความไม่สมหวังเกิดขึ้นหรืออย่าให้อันิิธารล์เกิดขึ้นแต่มันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยากนะความแก่ก็ดีความเจ็ความป่วยก็ดีความพัดพราาสูญเสียก็ดีรวมทั้งความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหนีพ้นยังไม่นับเรื่อง การถูกต่อว่าด่าทอกุปะสะความล้มเหลวหรือที่เราพูดคุมคลุมในโลกธรรมฝ่ายลบนะอ น, นิถาร่มเสื่อมลาบเสื่อมยศหรือว่าทุกหรือว่าถูกนินทาเ่พวกนี้นี่มันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหนีพ้นแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะต้องทุกทันทีหรือทุกเสมอไปนะ มันขึ้นเหนว่าเราทำอย่างไรกับกระบวนการปรุงแต่งสิ่งที่ทำได้เนคือว่าปรุงแต่งในทางบวกนะปรุงแต่งในทางบวกแทนที่จะปรุงแต่งในทางลบนะอย่างคนที่เขาเสียขาต้องตัดขาแต่ก็ไม่ได้ทุกนะเพราะก็คิดว่าเนี่ยเออ โชคดีนะที่รอดมาได้อันนี้ก็เรียกคิดบวกนะหรือว่ามองเห็นโอกาสที่เขาจะได้ทำอะไรอีกมากมายกับขาใหม่ที่ได้มายังสามารถจะไปเที่ยวกับลูกยังสามารถไปส่งลูกเวลาลูกไปโรงเรียนหรือสามารถไปเที่ยวกับภรรยายังสามารถขับรถได้เนี่ยโอ้คิดแบบนี้ ก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องมาเสียใจหรือว่าคับแค้นใจหรือผู้หญิงเดี๋ยวผู้หญิงที่เป็นมะเร็งสมองแต่ว่ามองว่าเออโชคดีนะที่ไม่ได้เป็นมะเร็งที่หนักกว่านั้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการปรุงแต่งนะแต่เป็นการปรุงแต่งในทางบวกที่เราเรียกว่าคิดบวกหรือเวลาเจอคำต่อว่าด่าทอเออก็ถือว่าเข้ามา ฝึกนะให้เรามีขันติหรือเข้ามาชี้คุณทรัพย์ให้กับเราการคิดในทางบวกแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการปรุงแต่งนะแต่มันปรุงแต่งในทางบวกซึ่งมันทําให้ไม่ทุกข์เมื่อเจออนิจธารมซึ่งเราก็ต้องมีนะทักษะตรงนี้เอาไว้ด้วยเหมือนกันนะอย่างภาพปุณณะเนี่ยจะมาทูลลาผู้เจ้าไปเมืองสุนาปันตาเนี่ยผู้เจ้าทักท้วงหรือเตือนว่าเนี่ยคนสุนาปันต์เขา ดุร้านะถ้าเขาต่อว่าท่านท่านจะคิดอย่างไรพระบุญนาคก็ต่อว่าเขาต่อว่าก็ดีกว่าเขามาทุบมาทุบตีแล้วถ้าเขาทุบตีแล้วท่านจะว่าอย่างไรเขามาทุบตีก็ดีกว่าเขาเอาก้อนหินมาคว้างแล้วถ้าเอาก้อนหินมาคว้างท่านจะคิดอย่างไรเขก็หินมาคว้างก็ดีกว่าเข้าไม้มาฟาดแล้วถ้าเขาไม้มาฟาดท่านจะคิดอย่างไรเขาก็ไม้มาฟาดก็ดีกว่าเขาเอาของแหลมมาทําร้าย แล้วถ้าเขาเอาของแรงมาทํา้ายท่านจะคิดอย่างไรเพระาะปุรนกตะเข้าของแรงมาทําร้ายก็ดีกว่าเข้ามาฆ่าตายสุดท้ายเมือ่อพระพุทธเจ้าถามว่าเนี่ยถ้าเขาฆ่าให้ตายท่านจะคิดอย่างไรเพระาะปุรนกตอบว่าเขาฆ่าให้ตายก็ดีเหมือนกันเพราะบางคนเนี่ยเวลาอยากจะตายเนี่ยต้องไปจ้างคนมาฆ่าหรือไปหาศัตตรามาแต่นี่มีคนมาทําให้เสร็จเนี่ยก็ดีเหมือนกันคือไม่ต้องเหนื่อยคือท่านมองอะไรเนี่ยท่านมองคือ ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับท่านท่านมองว่าดีไปหมดนะดีที่มันไม่แย่ไปกว่า น, นั้นอันนี้ก็เรียกว่ามองบวกนะเรียกว่าปรุงแต่งในทางบวกได้เหมือนกันแต่อีกวิธีหนึงคือว่าการหยุดปรุงแต่งนะไม่ปรุงแต่งศัก์แต่ว่านะอะไรเกิดขึ้นกับสักแต่ว่ารูปร่ากินเสียงเกิดขึ้นมากระทบกับสักแต่ว่ารวมทั้งหยุดปรุงแต่งหยุดปรุงตัวกูขึ้นมานะมีความปวดก็ เห็นความปวดแต่ไม่เป็นผู้ปวดนะอย่างที่หลวงพ่อกำเสดท่านสอนอยู่เป็นประจำมีความทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์นะอันนี้เป็นการหยุดปรุงแต่งนะซึ่งเป็นเรียกว่าการปฏิบัติชั้นยอดเลยทีเดียวไม่ปรุงแต่งเวลาเกิดผัสสะขึ้นมาและเวทนาเกิดขึ้นก็ไม่ปรุงตัวกูขึ้นมาคือมีสติมีสติ เพราะเมื่อสติเมื่อไหร่เนี่ยมันก็หยุดปรุงเมื่อ น, นั้นมันไม่เกิดความหลงว่ามีตัวกูอันนี้ก็เป็นการปฏิบัตินะขั้นสูงเลยนะที่มันไปพ้นเหรืออยู่เหนือการปรุงแต่งในทางบวกแล้มาทำให้จิตเนี่ยอยู่เหนือบวกเหนือลบได้แล้วต้องเรียนรู้นะการถูกจิตไม่ให้ปรุงแต่งนะเวลามันจะตีค่าว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดี ก็รู้ทันแล้วก็ไม่ปรุงมันมีความคิดไม่ดีเกิดขึ้นก็เห็นมันแต่ว่าไม่ให้ค่ากับมันว่าแบบนี้ไม่ดีเวลาเกิดความสงบก็ไม่ได้ให้ค่ากับมันว่าดีแค่รู้ซื่อๆรู้เฉยๆเนยโดยไม่ปรุงแต่งอันนี้มันก็ช่วยหยุดกระบวนการเกิดทุกข์ได้เหมือนกันนะแทนที่พอเกิดผัสสะและเวทนาตามมาแล้วเนี่ยมันจะปรุงต่อไปเป็นเวทนาเป็นเป็ น, ปนตันหาอุปท า, านพบชาติชารามรณะ ทุกทรมนั้นเนี่ยตักาปรปฏิเทวมัก็หยุดนะหยุดตรงที่เวทนาเพราะว่าสติเนี่ยมันตัวที่ทําให้กระบวนการแห่งความทุกข์มันหยุดเพราะมันหยุดการปรุงแต่งนั้นเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องการนะหยุดปรุงแต่งด้วยแต่ว่าก่อนที่จะถึงแต่ขณะที่ยังทําตรงนั้นได้ไม่คล่องนะก็รู้จักปรุงแต่งในทางบวกมันก็ช่วยลดความทุกข์ได้เหมือนกัน